วาระหนึ่งเป็นวันที่สามที่คนได้มีโอกาสมาทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ในประทัก็มาอุมโมทนาสแสดงความดีกับนักปฏิบัิธรรม ท, ที่ยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนกันก็จือว่าเราทั้งหมดเนี่ยที่มารวมกันที่เนี่ย เราก็มีจิตใจรวงเดียวกันเราอาจจะมีคนประมาณ100ร้อยกว่าคน100ร้อยกว่าชีวิตแต่เรามีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันคืออยู่ที่ความรู้สิ่งตัวการที่มาทำความรูวสิ่งตัว้องกันเหมือนกัน ถ้าก็ว่าเรามาสร้างที่พึ่งให้กับตัวเรานี่เราก็นำมาหาที่พึ่งท่าด้านจีตใจที่พึ่งข้างนอกคือบุคคลอื่นหรือสิ่งอื่นเราก็มีพเพราะเพียร น, นะแต่ที่พึ่งภาในดิตใจนะั้นเราเดมีถ้าเราทุากคนเนี่ยมาสร้างความตัว มาจเจริญเติมาดูตัวเราเองถ้ากว่าเราสร้างที่พื้นฐานจาิใจซึ่งเป็นที่พึ้นที่แท้จริงสำหรับเราเราอาศัยวัด น, นี้สถาที่เนี้เพื่อนของเราครูบาอาจารย์ทัวสิ่งหเหล่านี้ยก็คือ เป็นสิ่งเรื่อล้อช่วยเราได้ทำความรู้สุกตัวเราอาจจะมีเปลี่ยนเทียบไปว่าสถ า, ทา น, สนที่แห่งนี้บุคคลที่นี่ไม่เหมือนบ้านมันต่ากับบ้านเราบางท่านอาจจะเกิดการเปลี่ยนเทียบเพราะที่นี่ยูจะน่า้าสะดุกสบายกับเรา ไม่เหมือนที่บ้านเราใช่ไหมตั้งแต่อาหารสถานที่อยู่ที่นอนการยานนี้รวมทั้งการใช้ชีวิตนี้มันก็ตา่าิกันบ้านเรา อ, อย่างหน้ามเป็นหลังมือเราเห็นว่าทีเนี่ยมีสิทธที่ขัดใจเราแล้วร้วนแับไม่กแต่เราทุกคนนั่นคือสิ่งภายนอก แต่ดูี่จิตใจเราเราเป็นทุกข์ั้มเรามีความทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ไหมสิ่งเจือกเราที่เนี่ยทุกนย่าในด้านที่เจืกเราทุกอย่างมันคิอสิ่งภายนอกเข้าเข้าไปอย่างนั้นเองนะเมื่อเราไปมาทนี้มันก็เป็นอย่างนี้เรามาที่นี้มันก็เป็นอย่างนี้เป็นเมฆกับน้ำของสิ่งภายนอกทั้งหมด แตเ่เราเปนมาทุกข์ับเรื่องจิตใจเพราะเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เข้าใจสิ่งนั้นใจายู่ใจเจ่ใจเราเอเป็นใจเราเป็นทุกพรเราไม่เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราถามจริงไว่ามันขัดใจเรามันไม่ถูกใจเรา หรือเราไม่เข้าใจสิ่ ง, ง น, นั้นกันแน่ใเรากนตั้งไว้ผิดวางใจไว้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วมันผิที่ตรงที่เราไปคาดหวังเอาไว้จะต้องให้สุส่หรืออย่างนันมันถูกใจเราเพราะเราไปคาดหวังไว้ก่อนเราดีดดีดหว่ากับอาหารก็ดี กับสถาทนที่ก็ดีกับบุคคลก็ได้เลยเราลองไปคาดหวังเล ย, เ อ, เลย อ, อะไรก็ได้อาหารย่างไงก็ทานได้นอนอย่างไงก็นอนได้อยู่กับใคก็อยู่ได้ถ้่เราคิดว่าเราอยู่ได้ไม่เป็นไรกินได้นอนได้อยู่ได้เราจะไม่บางหวังเลยนะแถมยังสนุกแล้วก็สบายใจด้วยตั้งแต่ผมคิดว่าผมจะบางบางจีนะผมไม่เคยคาดหวังอะไรเลย ก็จะต้องได้ไปดูอะไรไปเห็อะไรไม่ได้เคยคาดห ว, วังก็จต้องไปเจออะไรไม่เคยคาดหวังอะไรก็ได้ที่มันผ่านมาในชีวิตเนี่ยเราจะเรียนรู้จะเรียนรู้เรียนรู้ทั้งหมดเพราะว่าเราตั้งใจเลยว่าเราจะมาเรียนรู้เราจะมาทําความเข้าใจกับสิ่งนี้ขึ้นมาเราตั้งแต่เริ่มต้ น, น, ต น, น, นมสมัยบัณฑิตผมสนุกทุกวัน สนุกกับการกินสนุกกับกากนอนสนุกกับการใชนสนุกทุกวันจนถึงวันนี้เลยรด้ละวางไมวันที่สตั้งใจไมเพราะฉะนั้นต่ที่ไปก็วว ม, ม, ปมีความนสนุทุกวันคิดว่าเรามาที่นี่รามาทมเรามาที่นี่เรามาทไมเร า, านีนี่ เพื่อมาเรียนรู้ชีวิตของเราเรียนรู้เรื่องกายเรียนรู้เรื่องจิตเรียนรู้เรื่องความรู้สึกเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีั้งความพอใจและได้พอใจที่ผ่านมาชี้ิเราป<ม>จะเรียนรู้ที่หมดทุกอย่างเลยไม่เลือกรู้ดีกว่ารู้สิ่งตัว ให้รู้สึกตัวมีสตริรู้ทันกายที่มันเคลื่อนไหวมีสตริรู้ทันจิตที่มันคิดเรื่องตางมีสตริรู้ทันอารมณ์ที่ผ่านมาเรียนรู้ด้วยสติเราจะเกิดปัญญานะเรียนรู้ด้วยอะไรเราเรียนรู้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นถ้าเราวาดใจได้ว่าต่อจะเรียนรู้ทั้งหมดในสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ย ใจจะเป็นกลางใจจะเป็นกลางจะมีความผ่อนคลายมากขึ้น อ, อุปสรรคทั้งหลายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นในชีวิตเราเลยเราจะมีความรู้สึกเช่นนั้นมันเป็นอย่างนั้นไหมรู้สึกอย่างนั้นแล้ว่ามีอุปสรรคนี้แต่สิ่งที่มันขัดใจเราแนั้นเลยขณะที่เราปฏิบัติอุปสรรคคือสิ่งที่ขวางกั้นความสำเร็จ เรามาปฏิบัติทางนำมาทำความมุตัวนึ่นเป้าหมายเราเด่ น, นคือความสําเร็จในชีวิตคือความพ้นทุกข์ขณะที่เรากาลังทำความมุ่ตัวยกมือสร้างจังหวะหรือเดินจงกรมก็ดีเราจะเจออะไรเจอความคิดเป็นอุปสรรคเจอความวุ่เป็นอุปสรรคเจอความท้อแท้เปลื่ยนารเป็นอุปสรรค แล้วก็เจอความขี้เกียจันอุปสรรคของเราด้วยใช่ไหมสิ่งนี้สิ่งที่แปลกใหม่สำหรับทีวเราเลยสิ่งนั้งหมที่ผ่านมาที่เราคิดว่ามันคืออุปสรรคนี่มันเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ในชีวเราย่งนั้นหนึ่งสิ่งเหล่านี้มันมีเฉพาะที่นี่หรือที่บ้านเราไม่เคยคิดมากเราไม่เคยง่วงมากเราไม่เคยตาแค่เราไม่เคยขี้เกียจเรือที่บ้านเราไม่มีขนานสิ่งเหล่านี้ เรื่องความคิดเนี่ยแล้วก็ควมมั่งบอกได้เลยว่าอย่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมากกว่าที่นี่ก็ได้แต่เราไม่รู้แต่ละเพราะเราพูดเลยว่าอย่ที่บ้านเนี่ยอาจจะมากกว่าที่นี่ก็ได้แต่เราไม่รู้แต่ละว่าเรามีมากขนาดไหนแต่พอเรามีทีนี้มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลย หน้าที่าการงานอะไรเราก็ไม่ต้องทําเราไม่ต้องทําครัวเนี่ย <Yeah. S 1> เราไม่ต้องทําความสะอาดไม่ต้องทําอะไรหลายๆอย่าง <Yeah. S 1> จิตเรามันว่างเกนไ <Yeah. S 1> แล้วก็เรามีสติด้วย <Yeah. S 1> เราจึงรู้ทันว่าอ๋อเพราะสิ่งที่เราไม่ต้องทําเนี่ย <Yeah. S 1> มันต้องเป็นปุถว เ, <Yeah. S 1> เรามีแต่การกระตืรือร้น เราอรู้ว่าโอ้ดีความคิดมันเยอะความรู้มั น, มนเยอะอะไรต่างมัก็มากมายถ้าเรามีสติรู้ทันต่างอยู่บ้านเราไม่รู้ทันเลยเราไม่มีสติแส่ที่ราลองมีสติเราเริ่มรู้ทันว่าขอเราคิดมากเราม่วงมากเสร็จพราเรามีสติดีขึ้นมนาะ แปลว่าพอแล้วเลยเราต้องหมดกัลมาถ์ูกทาง น, นะอย่าพอแทนใจสติเรากำลังมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนี่เราเพินะลงล่งเริ่มปฏิบัติแต่ลมลุกลุกทางสามวันเองเรายังพัฒ น, นาติดได้จริงแค่นี้ถ้าเราดูครบถึงเจ็วันเนี่ยเราจะมีความรู้ตัวมากขึ้นแค่ไหนลองคิดดู แต่ถ้าเราไม่สะอาบ้านเลยอยู่ทําความรู้ตัวนี้ตลอดทิ้นเนี่ยคิดดูเราจะทำลายมากน้อยแค่ไหนเอาไหม <c oughs> ไม่เป็นไ ร, ร <c oughs> สิ่งหลายที่เกิดขึ้นมาที่เราคิดว่าเป็นอุปสรรคเป็นที่ขัดขัดใจเราเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดา <c oughs> มองในเรื่องธรรมดาซะคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาซะ <c oughs> <c oughs> มันจะไม่มีปัญหานสำหรับเราเลย ความคิดเวลาเลราถนัดเจริญสติเนี่ยเวลาถนัดทำความรู้ตัวเนี่ยอะไรก็ตามถ้ามาเกิดความคิดมากแม่เป็นไ ร, รเราอย่าไปนหน้ามอย่าไปห้ามความคิดให้เราเปลี่ยนทิาฐิ น, นะคะไปปฏิบัติถ้าเขนานั่งอยู่ก็ไปเดินจบล ม, มจเจริญสติให้มันมากจเจริญสติให้มันมากสติเราจะได้มือกำลัง แล้วความคิดมันก็จะน้อยลงไปเองแหละความม่วไม่เช่นเดียวกันขน า, ด, ด, ามมดเป็นตัดปัญญาความม่วไม่เป็นไรหรอกวามม่วเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไม่มนะั่วมันจะเดือดร้อนนต้องยิ่งใหญ่มั่วมันมั่วพอดีจะได้ไม่ต้องมัยยนก็จะ ไ, จะ ม, จะ ม, จะไมีความคิดมันคิดตัวดีมันจะได้ไม่มว่ว เวลามั่วขนาดนั้นอยู่เ น, นี่ยก็ยกมือเรียวๆหน่อยขึ้นไปไว้เดี๋ยวจเไม่ ไ, ไ, มไให้รู้ทันสติรู้ทันได้แล้วมุแดงแล้วก็ทำไม่ไว้ <c oughs> ทําม่วมก็ลุกขึ้นไปเลยตรงๆเปลี่ยนยาปวดซักแล้วก็มองอย่ามองพุ่มมองไ ก, กลๆนะหรือทำตาโตๆมันก็จะหายมั่วไปเองแหละเพราะความมั่วมันก็ไม่เยอะ ไปเดินในที่สว่างที่แจงแจ้งนะอย่าไปเดินใกล้ที่นอนหรือห้องนอนไปเดี๋ยวผีที่นอนหลุดลงไปทำม่วงนอนนะนั <c oughs> ไ่ได้หลายหรอกมันคิดมากก็ได้มันง่วงมากก็ได้อย่าคิดปีกปีอย่ามง่วงปีกปีไม่ฮะแต่เรามีสติรู้ทัน แต่ที่สำคัญก็คือคนทุกคนเนี่ยใจที่มันชอบคาดหวเราต้องการผลมากเกินไปเราไม่อยากให้มันคิดเราไม่อยากให้มันน่วงเราอยากให้มันสงบสงบเรามีแต่ความต้องการต้องการต้องการในผลนตรงนี้คือตัวปัญหาไอ้ที่เขาให้ไปดัดเนี่ยก็เพราะว่า เขาเว่าผมพูดมาแล้วจะได้ดื่มน้ำเลยเพิ่มไประดับผมถึงโยกการดื่มน้ำที่ต้องไประดับเผมคมไม่ได้ดื่มน้านะบางทีอุปสรรคเนี่ยมันมันสร้างประโยชน์ให้กับเรานะการที่เราคาดหวังในคนมากเกินไปอยากได้ผลจากการปิบัติอยากให้มันสงบไม่อยากคิดไม่อยากง่วงอยากแรงใจ เรามีอาการที่ปฏิบัติแล้วเพ้งมากเกินไปแล้วทมีความตั้งใจมากแล้วก็เกิดความเครียดแน่นอ ห, หตึงตับเกิดความฟุ้งจิตฟุง้งซ่านไซน์เกิดจากที่เราพลาดความกลมมันที่มีอาการขึ้นเครียดแล้วก็มีความคฟุ้งไปฏิบัติแบบไม่สนุกผลลการปฏิบัติแ้บ มันต้องมาจากเหตนะผลต้องมาจากเหตถ้าเราไม่สร้างเหตุเนี่ยผลมุกกาลกับจะไม่เดินขึ้นเลย เ, เราเรียนที่สร้า ง, งคือการเจริญติให้มมากเดิน <The> เ, เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวให้มมากเนี่ยเป็นการสร้างสร้างเหตุตรงนี้ก่อนแม้ว่าเราไม่คาดหวังให้ผล ถ้าเราสร้างเหตุถูกต้องแล้วก็มากเพียงพอผลมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่าาต้องคาดบวังหรือทำอะไรพระพุดธเจ้าเป็นตัวอย่ยางท่านวากว่นนานกระดักรู้ได้ท่านให้เวลาต้องหกปีซึ่งกระดักรูนั้นแต่เราทำแค่เพียงสามันเท่นั้นใจถึงยิบพา่ยจะท้าทำลายเกิดบวรไปแล้วมั้ย เราจะมาที่นี่เราจะมาที่นี่ยสรว่าตอนแรกเราอยู่ี่ห้องพักกาลังอาบน้านแต่งตัวพอเสียงระฆังเป้งเราจะมาที่นี่เราเดินไปอีกเก้าจึงจะถึงศาลาแห่งนี้มีใครเดินสามเก้าแล้วถึงดีบ้างแต่ผมไม่เดินสักก้าเดียวจะมาถได้ ผลร้องการที่เราจะมาที่นี่นะเราต้องเดินมทาทำหน้าที่เดินเดินเดินกีลัก้าวิีรันก้าวิีลัก้าวทำหน้าที่เดินไปเถอดไม่ต้องนับทำหน้าที่เดินเดินให้ถูกต้องแล้วก็เดินให้ถูงทางมันจะกี่ก้าววัตามถ้าเดินถูกต้องสูกทางแล้วก็เราก็จะถึงที่นี่ได้ ถ้าใครไม่อยากเดินก่อนตายก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผลจะเกิดขึ้นได้นะมันต้องสร้างเหตุมันต้องสมควรกับเหตุถ้าเหตุไม่ดีอ่ะผลก็ไม่ดีเหตุน้อยผลก็น้อยเหตุไม่ถูกผลก็ไม่ถูกดังนั้นสันตติการสร้างเหตุทำานึงเดียวหนันสร้างเหตุสร้างเหตุ ในการสร้างเนี่ก็คอารขยันจิตละสติขยันทำความรู้ตัวเดินจงกรมตั้งจังหวะแล้วตอนรู้จิตตัวทาให้ ม, มากงแค่นี้พอแล้วมันจะมีความคิดบ้าใไร้เหตุผลรู้ทันและปล่อยหานไปมันจะมีความว่วนว่าอัสตรรู้ทันและปล่อยหานและถ้าบางทีเรา ว, า ว, วารนนุ่นว่าเราต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยการเปลี่ยนต้จังหวะการเดินจงกรมก็แก้ไขได้ แล้วห้รู้สึกตัวเวลามันเกิดขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยรู้ประสาทต้งรู้ทำรู้ตัดและปล่อยให้ผานไปปล่อยให้ทานสิงเหล่านี้ไปแต่เรามาเดินบนเส้นทางเดียวคือการรู้สึกตัวทำแค่เองเพียงแค่เราตัณฑ์รู้ทำมันเป็นผู้ดูมันดูมันเห็นมันอย่ากเข้าไปเป็นมันมันเกิดอะไรขึ้นก็ดูมันเห็นมันอย่ากเข้าไปเป็นมันเรามารู้สึกตัวเป็นผู้ดูเหมือนนัเราจะปลอดภัย ถ้าหาว่าเราขยันเจริญสติดูมันเห็นมันบ่อยๆเนี่ยเห็นความคิดเห็นความม่วงเห็นความอยากต่างๆบ่อยๆครั้งเนี่ยเราจะรู้จักตัวมันมากเราเห็นว่าแม้แต่ความคิดก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความม่วงก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปความอยากต่างๆมันก็ไม่แน่นอนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เราเห็นว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปท่านเนี่ยเราก็จะเกิดสติปัญญานะเน่เพียงแค่เราปฏิสิทธิ์รู้ทางสิ่หล่า น, นั้นแค่ปฏิสิทธิมีสติรู้ทางสิ น, น, นั้นมันก็จะเกิดปัญญาใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปเลยคนตามปฏิบัติเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือทุกข กับไม่ทุกข์ให้เราเลือกเราถ้าเราเป็นทุกข์กับติณทะลายมันก็ขึ้นในจิตเราถ้าเราเกิดความทุกข์แสดงว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั<ม>้นเราจึงเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความยึดมั่นถือมั่น<ม>แต่ถ้าเราไม่ทุกข์ไม่ทุกข์แสดงว่าเรามีสติรู้ทัน แล้วก็ปล่อยวางให้สิ่งน้มันผ่านชีวิตเรบไปะโดยที่ไม่ยึดมั่นถรือมันเราจึงไม่ถึงสติปัญญาคือการรู้แจ้งรู้แจ้งว่าสิงนั้นเนี่ยไม่มีสาระไร้าสาระไม่ควรยึดมั่นถรือมัน่นถ้าเราสามารถปล่อยวางสิ่งนั้นไดน้ใจเราก็จะไม่พุ่เลยนะใจเรา เมื่อไม่ทุกข์แล้วเใจเราจะมีความสดใสเปิดบานมีความผ่อนคลายสดใสเปิดบางผ่อนคลายที่เขาเรียกว่าความสุขนั่นแหละเข้ามาแทนที่ใช่ไหมเราอยาบบ่าไปเป็นทุกเวลาเกิดงที่ไม่พอใจเราหรือมันขัดใจเราไม่ถูกใจเร า, เย อ, ยารอย่าไปเป็นทุกข์กับมันเช่นอุปสรรคทั้งหลายอุปสรรค คือสิ่งที่ขวางขัง้นเราไม่ต้องทุกข์ก็ได้เราก็พยายามป่าฟันสิ่งเหลหนั้นไปแก้ปัญหาเสียงนั้นไปโดยทใจไม่ทุกเราทําได้ไหมเราจะเสียเวลาไปทุกไปทําไมทั้งที่เราต้องแก้ไขมันอยู่แล้วแตเวลาเราป่วยไข้คนทุกคนมันก็มีการป่วยไข้ป่วยไข้ทางด้านร่างกายแต่ทําไมใจเราต้องทุกด้วย พราะทั้งที่เราต้องพาร่างกายไปหาหมอพาร่างกายไปหาหมอทําไมจะต้องดูด่วนใจเราไม่ต้องคุ้มไม่ได้หรือแล้วก็พาร่างกายไปหาหมอมันจะดีกว่า <c ười> นีทีนี้เราก็เวลาป่วยไข้ทางร่างกายใจอย่ารุนทําใจสบายๆแล้วก็พาร่างกายไปให้หมอรักษาซะ <c ười> เราจะได้ กายป่วยแต่งใจไม่ทุกขอย่างเงี้ยใช้ได้คราวนี้เรามาตั้งใจเลยมายอย่าทุกข์อย่ามีความทุกข์ง่ายเกินไปทาใจไว้ใหมนะ่เวลาหินข้าวก็อย่าเป็นทุกขนะ์เวลาอะไรไม่ถูกใจก็อย่าเป็นทุกขนะ์เวลานอนไม่หลับก็อย่าเป็นทุกข์นะปฏิบัติไม่ดีก็อย่าเป็นทุกข์ยาเป็นทะุกข์ได้สิโนะนั้นะอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยอย่าเไปไ็นทุกข์ เพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะเป็นพุกนะเราเกิดมาเพื่อที่จะพนทุกข์นนะ <c oughs> ถ้าเราปล่อยใจเป <c oughs> ็นุกมากเราจะอายแมวนะ <c oughs> แมวไม่คิดมากของเรา <c oughs> เพรานะแมวไม่คิดมากของเร า, ไ ม, มาไม่เป็นไรนะแมวมันไม่คิดมากเราเป็ุกเพราะเราคิดมากไม่เป็นไรเรามาอยู่ที่เนี่ยมันเป็นโอกาสดีแล้ว เราได้เรียนรู้มันว่าในสิ่งที่มันไม่ถูกใจไม่พอใจให้เราเรียนรู้ว่ามันแน่นอนไหมมันมันมันเป็นจริงไหมมันเกิดขึ้นรกลับไปเรื่อยๆให้เรียนรู้ให้เรียนรู้ให้ ม, มากๆเราจะเกิดสติปัญญาคนระับและสิ่งที่เราเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยสติปัญญาที่เรา ไ, ได้เรียนรู้เนี่ยเราจะได้ออกเป็นท้ายหลังจากที่กลับไปตะลีแล้ว เอาไปใช้กับครอบัวเอาไปใช้กับการทำงานะจาันทร์เบลลวเพืสำหรับเราด้ไปนะเ่พราะะนั้นเราอยู่ที่นีเราต้องเรีย้อย่างเดียวอย่างเดียวคือขยันขยันทำความรู้ตัวให้มากมากขยันแล้วก็อดทนเพียรทําปเนี่ขยันทำความรู้ตัวอดทนเพียร ท, นะนะทำไปเปนี่ยทำไปโดยไหวนั้ไปมากๆเนะีเราจะได้เกิดปฏิปญามากมาก ยิ่งอยู่เป็นนานะยิ่งจลนิญติเป็นานที่นี่นะเรายิ่งจะเกิดยาปัญญาเกิดยาบัญญาถ้าเราอยู่โดยไม่ปฏิบัติคิดแต่อยากจะกลับบ้านจะกลับบ้านอยู่โดยไม่ปฏิบัคิดแต่จะกลับจะกลับมันก็จะเกิดยาเหมนกันนะติดยานนะเขาเรียกยานโน้ตเสือกลับบ้านยานโน้ตเสืออยากกลับบ้าน อยู่กันต่อไปเรื่อยๆนะอยู่เพื่อป็นมิตเอาไว้มองหน้ากันเอยพูดคุยกันนะอยู่ต่อไปก่อนนะเอ่อก็เห็นว่าวัานนี้สมมติเกิดลานะแล้วเราจะได้สร้างยางปัญญาต่อไปนะอยู่ต่อไปสร้างยางปัญญาต่อไปแล้วกาพบกันนะ